ท่านฟังที่ครบรค่ะรายการสันนิษฐานาทางสถานีวิทยุ FM ครอบครัวข่าว้อยในวันนี้เนี่ยนะคะเราก็มาถึงช่วงเวลาที่จะได้กราบน้ำรสการพระพบูบุญอภิปุโนเพื่อกราบเรียนถามท่านในคำถามต่างๆและก็จะได้ทราบว่าพระพุทธองค์เนี่ยตรัสเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไว้อย่างไรเราก็ตั้งชื่อมาตามสิ่งที่ท่านอาจารย์บอกว่าเนี่ยถ้าเป็นภาษาพุทธว จ, จะนะต้องพูดว่าเปิดธรรมที่ถูกปิด ด้วยพุทธวจนะดังนี้เราไปพบท่านก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะได้เปิดประเด็นคําถามกันกราวนามาส ก, การ ค, ค, าค่ะท่านคะเจมส์บอลค่ะท่านพิบูรณ์คะ <c oughs> มาถึงวันนี้ถ้าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใกล้ตัวหน่อย <c oughs> ก็คงจะต้องบอกว่ามีอยู่สองเรื่องด้วยกันะนั่นก็คือเรื่องของฟุตบอลยูโรอที่เขาตื่นตัวกันทั้งประเทศมีทั้งจ้องคอยดูฟุตบอลแล้วไม่พอใจเนื่องจากการถ่ายทอดไม่เกิดตามที่ ต้องการอะไรก็แล้วแต่อ่าเดี๋ยวจะกลับเรียนถามท่านอะไรนี่เราอยู่ในเมืองไทยใช่ได้อยู่ในยุโรปนะอยู่ในเมืองไทยแต่เดี๋ยวนี้โลกมันแคบเข้าเลยทั้งหมดใช่ไหมคะอะไรจะเกิดขึ้นทั้งโลกเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูได้หมดค่ะถ้าเปิดกันที่โปแลนด์นะคะรวมหมดอ่าก็เขาดิฉันเองก็ไม่ได้ดูเขานะคะรู้แต่ว่ามีคนเขาดูเยอะส่วนเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระค่ะ คือเป็นเขาบอกว่าพระเนี่ยสวดแรปดิฉันก็เลยขอถือโอกาสเปิดเข้าไปดูอันนี้ได้ดูก็ได้พบว่ามีมีผู้ที่ครองผ้าแบบพระก็น่าจะเรียกว่าเป็นพระอยู่นะคะแต่แต่งตัวสบายๆแล้วก็เอาไม้กวาดที่พระป่าใช้กวาดลานมาเล่นแทนกีตาร์ซึ่งเปิดเพลงรับร็อก ของไทยนะครับประกอบในขณะที่มีอีกรูปหนึ่งก็ร้องเพลงทคาหน้าที่ร้องเพลงลิปซิงก์มีและอีกเพลงหนึ่งเนี่ยก็จะเหมือนกับนุ่งห่มเฉพาะท่อนล่างท่อนบนไม่ได้นุ่งห่มนะคะแล้วก็เล่นเพลงร้องเพลงในลักษณะคล้ายคลึงกันอืม hmm. ที่จะมากล่าวเรียนถามเนี่ยเพื่อที่จะให้ท่านฟังทั้งหลายได้มีความรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องของ วินัยก่อนก็แล้วกันอ๋ออันดับแรกเรื่องของวินัยก่อนเพราะพระพุทธองค์ตรัสไว้แค่ทำกับวินยัยถูกไหมคะใชเ่เรื่องเกี่ยวกับฟุตบอล น, นิดหนึ่งด้วยว่าอย่างพระเนี่ยถ้าดูการเล่นคือฟุตบอลที่แบ่งเป็นสองข้างอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะ เ, เป็นเป็นศีลที่เป็นรู้สึกจะเป็นมัชชีมศีลศีลก่อนที่จะมีระบบปาติโมคือการแข่งขันอะไรที่เล่นเป็นสองข้างนะเช่นมาครุกมากอุ ก, ม, กออมวยฟุตบอลฟุตบอลสมัยก่อนยังไม่มี เดี๋นี้มก็เป็นลักษณะเดียวกันคือมีเป็นทีมเป็นสองข้างอันนี้ก็ไม่ควรดูก็จะผิดศีลในก่อนระบบปฏิโมกก็เป็นศีลที่ระบุให้ทำเอาไว้แต่ว่าไม่ได้มีข้อบัญญัติที่ปรับเป็นอาบัตเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตัวอย่างนั้นจะไม่ได้มีเป็นศีลก่อนระบบที่จะมีการปรองอาบัติส่วนเรื่องการร้องนะครับเพลงด้วยเสียงอันยาวนะการสวดคือการสวดสวดมนต์อย่างเงี้ยสวดคําพูดพุทธชาติอย่างเงี้ย เอาอย่างบทอีติปิโสเนี่ถ้ามาสวดด้วยเสียงอันยาวอันนี้อันนี้ผิดอาบัติละอันนี้ก็ผิดนะทีนี้ไอนน้อย่างอื่นที่ไม่ใช่คําของผู้เชา่านะไม่ใช่สิ่งที่ผู้เช่าสอนอเช่นการร้องเพลงอันนี้ก็ผิดตั้งแต่ศีลเลยแลยอย่างผู้ที่ศีลแปดยังไม่ชีหรือว่าคนที่ไปวัดรักษาศีลแเนี่ยมีข้อหนึ่งก็คือว่าเว้นขาดจากการดูการะเล่นอันเป็นข้าศึกแห่งกุศลธรรมทั้งหลายอันนี้ดูก็ไม่ได้นะ อันที่สองก็ ค, คือเบ้นขาัดจากการร้อนฟ้อนรำกับร้องประคมนดนตรีนะ น, นี้ก็ทําไม่ได้น ะ, ะอย่างอย่างธรรมะอย่างเงี้ยเมื่อสมัยก่อนเล่นกีตาร์เป็นแต่พอตอนเราเป็นฟระปุ๊บเฮ้ยเราจะเอากีตาร์มาฝึกเนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะทําไม่ได้นะไปตรวจสอบปุ๊บโอ้คนเราทําไม่ได้จริงๆนะก็เลยก็เลยไม่ได้ทําไม่ได้ฝึกค่ะก <c oughs> ็คือทำไม่ได้เหมือนกันเถอ ะ, ะค่ะคือสรุป <นะ S 1> แล้วทั้งในเรื่องนี้ทั้งสองเรื่องเนี่ยพระไม่ ดูฟุตบอลไม่ได้ไม่ใช่พูดคำว่าไม่ควรเลยใช่ไหมคะคือเหมือนกับว่าถ้าตามวินัยเนี่ยไม่ได้ก็ะจะผิดศีลใช่ค่ะถ้าดูได้ก็ผิดผิดศีลเลยแต่ไม่ต้องปรงอาบัตเป็นศีลระบบที่ยังไม่ได้มีการโปรงอาบัตตอนนั้นพระเจ้าประกาศไว้ช่วงสิบปีแรกท่านคะถ้าอย่างนั้นความหมายของการผิดศีลในเมื่อไม่มีบทลงโทษเนี่ยจะว่าไปเนี่ย ก็น่าจะทำได้และผิดศีลในที่นี้โดยไม่มีบทลงโทษเนี่ยผิดอย่างไรหรคหมายถึงว่าทำให้เกิดความเสียหายอย่างไรศีลเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเป็นความปกติไงคุณโยมติ๋อเป็นความปกติการดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติแต่เพราะฉะนั้นความดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติของพระเนี่ยคือไม่ใช่ทำนานะแต่ว่าไปพิคขาจารน์นคือไ้บินดาบานนีน่เป็นความปกติของพระ แต่เพนความปกติของพระก็คือจะไม่ดูทีวีไม่ดูการเล่นไม่ดูไม่ฟ้อนําขับร้องประคมดนตรีอันนี้เป็นความปกติของพระนะอันนี้เป็นความปกติเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าคุณผิดปกติคุณจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นบาปกับเรานะทีนี้ถามว่าผิดปกติแล้วจะมีบทลงโทษไหมอันนี้พระพเจ้าก็มาบัญญัติบทลงโทษตามเป็นข้อๆสิบปีหลังจากที่ประกาศศาสนามาแล้ว10ปนะีพอมีเริ่มมีข้อเสื่อมเสียอะไรต่างๆมากก็จึงเริ่มบัญญัติ ให้มีการโปร่งอาบัติกันเกิดขึ้นให้มีการประกาศประจานตัวเองว่างกันเถอะค่ะอือทีนี้อย่างตอนนี้สังคมก็ช่วยประจานฟอแรงแล้วนะอาต ม, มาคิดว่าพระองค์นั้นก็คงจะรู้สึกไม่ดีแน่นอนล่ะนะคือถ้าผมว่ายังมีความประสงค์ที่จะประพฤติพรหมจันทร์เนี่ยแล้วบางทีเรามันผิดพลาดกันได้คือดมาต้องบอกท่านผู้ฟังอย่างนี้ด้วยว่าคือพระที่ยังกําลังฝึกอยู่เนี่ยนะบางทีดีก็มีไม่ดีก็มีคือทําได้ก็มีทําไม่ได้ก็มี นะทำได้หรือไม่ได้เราก็ต้องคอยคอยฝึกบอกสอนไปอย่างนี้บางที<ะ>พระใหม่ไม่ทราบข้อมูลที่ถูกต้องหรือว่ายังไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองไดนะ้ทำผิดบ้างเราก็เปิดโอกาสในการที่จะแก้ไขดึงให้มีครูบาอาจารยนะ์ที่คอยบอกสอนพวกภิกษุใหม่เหล่านั้ น, นนะอ่านะ่ก็เท่ากับว่าอาจจะเป็นการทำตามๆกันไปทำโดยไม่รู้อันนี้แก้ไขได้ขอเพียงแต่ให้รู้ข้อเท็จจริง และวันนี้เนี่ยการเปิดธรรมที่ถูกปิดก็ทำให้ได้รู้ว่าถ้าเป็นความปกติแล้วต้องไม่ทำถูกไหมคะใช่นะคะทีนี้ท่านคะในเรื่องของพระกับเรื่องแร็ปที่ว่าเนี่ยคะอืมก็แร็ปนี่ก็เป็นลักษณะของการสวดด้วยเสียงอัญญาถ้าเป็นถ้าเป็นคำของผู้ชายานะ อันนี้ ค, คุณสวดด้วยเสียงอันยาวนี้ก็ไม่ได้แล้วเป็นผิดศีลอันนี้มีการปรับอาบัติไม่ได้วสวดอย่างเดียวนะคะมีเต้นด้วยคะ่ะท่านา่ะตามยรีลาแบบเหมือนนักร้องร้องค่ะเ อ, อแล้วก็การฟ้อนรำขับร้องอันนี้ไม่ได้แนะ่นอนฟ้อนรำนะคือการเต้นถูกไหมการเต้นเนี่ยก็มาจากการฟ้อนรำสมัยก่อนก่อนนะบัฒนามาเพราะฉะนั้นการฟ้อนรำขับร้องประคอบดนตรีอันนี้ไม่ได้หมดค่ะอันนี้ผิดศีลแน่ น, ะนอนกรณีสวดมนต์ด้วยเสียงอันยาวหรือว่าฟ้อนรำขับร้อง ที่ว่าผิดศีลเนี่ยลักษณะนี้มีการปรับอาบัติไหมคะส่วนทั้งสองอย่างนี้มีสองอย่างนี้มีปรับอย่างไรก็ได<ข>้นคน่ะก็เป็นอาบัติเบาสามารถปรงสามารถที่จะปรองได้คืออาบัตความผิดของพระเนี่ยจะมีการปรับอยู่สามสี่ระดับด้วยกันในระดับแรกเนี่ยสมมุติคุณทําผิดใช่ไหมถ้าทําผิดโทษหนักเลยเนี่ยคุณจะประหารชีวิตเลยเขา้าเข้าถูกประหานชีวิตเลยนั่นคือออกจากความเป็นพระนั่นคือประราชิก <ขา S 2> นี่คือโทษหนักสุดโทษประหารชีวิตอันที่สองไปติดคุก ติดคุกพระมีนั่นคือการที่ไปอยู่ปริวาสคืออาบัตสังขารทิเศตเป็นชื่อของอาบัตเนี่ยเป็นชื่อของความผิดถ้าคุณทําผิด4ีหข้อนี้10ข้อนี้นะทําผิดอย่างนี้นะคุณต้องโดนลงโทษด้วยวิธีสังขารทิเศตคือไปติดคุกพระแลคุกพระนี่ก็ไม่มีอะไรมากเขาก็จาลองสถานที่นี้ขึ้นมาให้เป็นคุกโดยคุณถ้ามาถึงปุ๊บคุณต้องไปท้ายแถวใครมาถึงปุ๊บคุณต้องบอกความผิดตัวเองต้องอยู่กี่วันกี่วันต้องไปทํากิจทำอะไรต่างที่เหมือนกับคนคุกนะ แล้วก mm hmm. ็พอหมดวาระนะสมมติติดคุกนี่ก็ยีวันก็มี เ, เกินกว่านั้นก็มีนะสิ้นสมมติคุณปกปิดคําความชั่วนี้ไว้กี่วันแล้วนกะ็มาติดคุกจํานวนเท่านั้นวันแล้วก็บวกไปอีก20วันนะถึงจะออกจากคุกนี้ได้นะ น, นี้เรียกว่าสังคาทิเศษนะหรือว่าที่เหลือนะที่เหลือก็จะเป็นอาบัตชนิดที่เรียกว่าแก้ไขได้ด้วยวาจานะคุณคุณมาแจ้งแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่เหมือนกับเจ้าหน้าที่ตํารวจใช่ไหม มีคนทําความผิดแล้วคุณต้องมารายตัวรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานนะเพราะฉะนั้นาการที่พระจะมารายงานตัวต่อเจ้าพนักงานใครเป็นเจ้าพนักงานอันนี้ก็คือเพื่อนที่ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันก็พระด้วยกันนี่แหละนะถ้าคุณทําความผิดปุ๊บคุณต้องไปรายงานต่อเจ้าหน้าที่นะความผิดอื่นๆที่เหลือก็เบาๆลงมานะีตั้งแต่ถูกปรับอันนี้เรียกว่าถูกปรับด้วยความดีนะปฏิติเตีเป็นต้นนะหรือว่าเป็นอาบัติที่เบาลงมากว่านั้นนะตั้งแต่ระดับที่ 3- าสลงไปเนี่ยเป็นอาบัติที่สามารถ ไปรายงานตัวกับเจ้าพนักงานได้นะก็คือถูกปรับด้วยความดีไปรายงานกับตอนไหนกันท่านคะก็คือปรองอาบัตินั่นเองคือวิธีการปรงอาบัตินั่นเองพระก็จะ<อ>ไปไปหาเพื่อนคนหนึ่งบอกโอ้ท่านผมทําความผิดข้อนี้ขึ้นมาองค์นั้นก็จะบอกว่าเอ้าท่านมีสติอยู่หรือองนี้ก็บอกว่าเออมีลืมสติไปแล้วองค์นั้นก็บอกงั้นจะทําอีกองค์นี้ก็องที่ทาความผิดก็บอกอ่าตั้งแต่วันนี้ฉันจะจะตั้งใจแล้วว่าไม่ทําความผิดอย่า ง, งนี้อีกว่าไปก็ไม่ต้องเลือกว่าเป็นวันพระวัน ไ ม, <ก>ไม่จำเป็นยนี้เลต่อให้มีขอให้มีพระสักองค์ใดองค์หนึ่งนะที่ปฏิญญาตัวเองว่าฉันเป็นพระนะคุณก็ไปรายงานตัวกับคนนั้นได้เลยวิธีการรายงานตัวส า, ายบ่ายข้ามยามเย็นได้หมดได้หมดยิ่งอาบัตเก็บไว้นานนี้ยิ่งอันตรายนะคือหมายความว่าความผิดเรามีความผิดเนี่ยถ้าคุณหลายๆวันเข้าคุณไม่ไปรายงานตัวกับเจ้าพ น, น, นักงานไม่ไปโรงอาบัตเนี่ยคือคําว่ารายงานตัวกับเจ้าพนักงานนี่คือการโปรงอาบัตนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ไปรายงานตัวเนี่ยเจ้าพนักงานก็จะจับเวลาแล้วว่า ให้คุณทํามาไปไหนทําไมมาช้าแลนะต้องมีการปรับการอะไรเพราะฉะนั้นความผิดของเราเนี่ยมันจะมร้อนใจเราอยู่ตลอดเวลา mm hmm. ของคนที่ทําความผิดนะเราก็มันเหมือนกับเอานิ้วเรานิ้วขาดไปแล้วอย่างเงี้ยแต่ทําความผิดนิ้วขาดไปแล้วเนี่ยนะถ้าเราไม่นิ้ปรองอาบัติเนี่ยเลือด ก, ก็ไหลยอย่างไม่หยุดเนะื้อเลือดไหลไม่หยุดแต่ว่าถ้าเราปรองอาบัติแล้วเลือกก็หยุดไหลได้แต่ว่าความเอานิ้วมันก็ไม่ได้โตขึ้นมาอีกนะ คือนิ้วก็ไม่ได้ตขึ้นมาอีกเพราะนั้นไอ้ที่เสียไปแล้วก็คือเสียไปแล้วนะเราก็ตั้งใจทําความดีใหม่ต่อไปค่ะเรียกว่าเป็นการที่ต้องขัดเกลาอยู่ตลอดเวลาใช่เพราะนั้นระบบของพระเนี่ยก็คือว่าให้มีการารายงานความผิดของตัวเองเรเรียกว่าโปร่งอาบัตก็คือไปรายงานตัวค่ะทีนี้การรายงานตัวเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าเราประกาศความผิดของตัวเราเองพอประกาศความผิดของตัวเราเองเนี่ย ความผิดนั้นมันจะอยู่ไม่ได้พระพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างของสิ่ง3อย่างที่เมื่ อ, อเปิดปิดปิดเอาไว้เนี่ยมันจะยิ่งเจริญนะแล้วก็อีก3อย่างเปรียบเทียบกันที่ยิ่งเมื่อเปิดเผยแล้วจะยิ่งเจริญนะอย่างหนึ่งก็คือว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยถ้ายิ่งปิดปกปิดเอาไว้นะจึยิ่งเจริญเพราะฉะนั้นความผิดของเราเนี่ถ้าเรายิ่งเก็บเก็บเงียบไว้เลยนะมันจะยิ่งเจริญความผิดนี้จะยิ่งยิ่งงอกเงยเติบโตขึ้นเป็นความผิดที่หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นไป พอเปิดเผยขึ้นมาปุ๊บไอ้ตรงความผิดตรงนี้มันจะดับไปเลยพอดับไปแล้วปุ๊บเราก็จะคอยระวังจิตไม่ให้ทำความผิดอีกค<อ>่ะก็เท่ากับว่าปลงอาบัติได้ที่ฉันเองเนี่ยสนใจหลักการนี้กับคารวาสมากเลยนะคะคือเหมือนกับว่าอันนี้พูดถึงเรื่องพระเป็นนักบวชใช่ไหมคะาสามารถที่จะปลงอาบัติด้วยระเบียบวินัย ที่พระพุธองได้วางเอาไว้ mm hmm. แต่ทีนิ้พอเป็นคนธรรมดาเนี่ยจริงๆแล้วในชีวิตเนี่ยถ้าเกิดให้คนที่รู้ถูกเป็นอย่างไร mm hmm. เมื่อพลาดพลั้งผิดไปมีโอกาสที่จะปรงอาบัตทำนองเนี่ยนะคะ mm hmm. คือประกาศความผิดของตัวเองเท่ากับว่าอ่มันพลาดพลั้งไปแล้วรู้นะเสียใจอยากจะเริ่มต้นใหม่ mm hmm. ขอให้มีใครอ่ช่วยเป็นสักขีพยานสักหน่อยดีฉันก็ว่าน่าจะทาให อะไรมันดีขึ้นนะคะในใจของใช่เอ่อจริงๆแล้วถ้าเรามาดูตามกฎหมายบ้านเมือง ไ, ไ, ไม่ผิดอะไรนะคือคุณคะจะร้องเพลงอยู่ในในห้องในที่ไหนมันมันไม่ได้รบกวนใครมันก็ไม่ผิดอะไรแต่เฟริรเ ฟ, รเฟริเป็นพระท่า น, นเองมันก็จะผิดปกติของพระไป ห, หน่อยอืถ้าในกฎหมายบ้านเมืองแล้วจะไม่ผิดแล้วก็ถ้า่างนั้นพระนี่จะต้องมาดูแลกันเองนะพระก็จะต้องคนที่เป็นครูบาอาจารย์ของบุคคล น, นี้แล้วก็ต้องคอยบอกสอนท่านละาั้นค่ะคือที่เป็นข่าวเข้ามาที่นั่งเข้าใจว่าคนที่เคารพหน ศาสนาเนี่ยคงเกิดความรู้สึกไม่สบายใจเพราะเป็นภาพตัวอย่างเดี๋ยวนี้จะต้องเผยแพร่ไปทางพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กไงคะสังคมออนไลน์ที่มันระบาดไปทั่วก็อาจจะกลัวว่าเกิดความเสื่อมเกิดความไม่เข้าใจแล้วก็ทาํตาต่างๆกันไปเพราะฉะนั้นถามว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยพอได้ทราบข่าวนี้จะต้องทํำยังไงถ้ายังเราจะทำยังไงถึงีได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามทำปฏิบัติชอบยิ่งอยู่นี่เพิ่งผ่านวันวิสาขบูชามาแนละ้วเราจะบูชาพระเจ้าอย่าง เราจะบูชาต่อเนื่องยังไง ค, คือคือเราทำตัวให้เป็นสัตว์บรุษคือคนดีนะอะไรเป็นข้อความไม่ดีของคนอื่นเราไม่ต้องพูดต่อเข้าใจหแล้วถ้าเขาเป็นคนไม่ดีจริงๆเราอย่าไปด่าเยเพว่ามีความเมตตาให้โอกาสช่วยเหลือกันไปนะเราเราไม่ด่าใครไม่ว่าใครเอาความชั่วของคนอื่นเราอย่ามาเปิดเผยนะอย่าไปส่งต่ออย่าทําไม่ดีแล้วนะถ้าท่านท่านมีความคิดว่าเราจะทาดีขึ้นมาเรายิ่งให้คนจะให้โอกาส แต่ถ้าท่านคิดว่าทําไม่ถูกเราควรจะทําไงให้ท่านเป็นธรรมะทายาได้อันนี้เราควรจะคิดอย่างนี้ด่าว่าไม่ดีแน่นอนอย่าทำค่ะทีนี้มาถึงมุมของคารวาสที่ดูฟุตบอลแล้วล่ะค่ะออืถ้าหากว่าขณะนี้ที่เขาเป็นหัวเป็นใหญ่การละตัดเปลี่ยนกันอยู่เสมอก็มีเรื่องของการพ น, นันโอ้การพ น, น, <ะ S 1> นันนะคะค่ะกับถ้าลึกๆไปอีกเรื่องอันนี้เป็นเรื่องความหวังดีในส่วนของของ ไม่อยากให้นอนดึกเพราะนอนดึกมากเสียงานเสียการอืนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกีฬามันมีของดีของมันอยู่ก็คือว่าดูความสามารถในการแข่งขันแล้วจะเห็นปรัชญาของการกีฬาที่เขาต้องการให้มันเกิดขึ้นก็คือให้ค น, นรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยอทีนี้เล่นการพ น, นันทางด้านธรรมะพระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างไรออนะครับสั้นๆตรงนี้ก่อนที่จะจบรายการเกีย่ยวเรื่องการเล่นการพนันก็คือว่าออการพนันเนี่ยเป็นอบายมุก อบายมุกอบายมุกแปลว่าอะไรปากทางสู่ความเสื่อมปากทางสู่อบายแต่ถ้าเล่นเล่นเนี่ยเป็นปากทางนะั่นคือเหมือนกับคุณเดินอยู่ปากทางไปสู่นรกเดินเล่นอยู่แถวนั้นอ่ะมันอันตรายนะหรือว่าเดินเล่นอยู่บนหน้าเหว อ, อย่างเงี้ยเราเดินเฉียนเหวอย่างเงี้ยบางทีเราตกไปได้นะต้องอันตรายต้องระวังมากๆเพรา ะ, ะนั้นอย่าไปอยู่แถวนั้นเลยแตอบา ย, ยมุก ป, ปากทางสู่ความเสื่อมปากทางสู่ความนรกปากทางสู่ความเสื่อมเพราะนั้นเราอย่าไปอยู่แถวนั้น แตนะถ้าเราไปอยู่เรื่อยๆเนี่ยเงินหายนะสูญเสียความคิดบางคนจะคิดว่าไม่สามารถเลี้ยงตัวได้ด้วยบุคคลเล่นการพนันนะวาจาที่ไม่จริงก็จะปรากฏอยู่ในที่นั้นนะคนแพ้ย่อมคนแพ้ย่อมอเจ็บปูกใจเจ็บคนชนะนี่ก็ย่อมสูญเสียทรัพย์อะไรต่างๆมีข้อไม่ดีเยอะแยะไปหมดเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองทางโลกก็น่าห่วงเพราะเสียทรัพย์ทําให้ครอบครัวเดือดร้อน อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าในทางธรรมเนี่ยก็เป็นคําเตือนที่ยิ่งใหญ่มากเลยว่าความเสื่อมแต่มันเป็ความเสื่อมความเสียหายและปัญหาอื่นๆจะตามมาเช่นเดียวกัน<ม>วันนี้เราก็ได้ประโยชน์จากธรรมะที่พระอาจารป์ริบุญญาิปุญโนนะคะได้นําเอาพุทธวจนมาเปิดธรรมที่ถูกปิดให้กับพวกเราได้อย่างทันสมัยนะคะเรนเองก็ต้องขอนมัส ก, การขอบพระคุณท่านไปพร้องกับท่านผู้ฟังณโอกาสนี้เลยคะ่ะ <Yeah, bye. S 2> สบายนมัสมการคะ่ะ ท่านฟังที่ครบค่ะและนี่ก็คือรายการสัสนียมสนทนาทางสถานีวิทยุ FM ครอบครัวข่าวร0อนะคะเราพบกันมาเป็นเวลาหลายปีแล้วตั้งแต่เวลาตี5้าถึงตีหครึ่งค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้ก็ลาไปเพื่อที่จะพบกับท่านกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะพุทธ ว, สสวัสดีค่ะ